นานๆได้มาเลยถตวายหลวงปู่ไปหมื่นบาทเมื่อวานหลวงปู่ลีหลวงปู่ลีเนี่ยบวชปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามงานหลวงปู่มั่นบวช ใ, ในงานหลวงปู่มั่นนะั่นแหละหลวงปู่ลีเนี่ยขนาดเขาจะย้ายเคลื่อนศพหลวงปู่มั่นลงจากสาลาเนี่ยอหลวงปู่ลีเนี่ยเป็นตะพเขาเนี่กระโดดเข้าไป แย่งหามหลวงปู่มั่นเหมือนกันนะเขาจงพอเฮ้ยตาพระขเขาจะเข้ามาไหยเอาพระเขาเขาจะได้บุญเหมือนกันนะเหมงอนนเออไปแย่งหามหามหลวงปู่มั่นขึ้นเมนเหมือมนกันแต่อ่าเนี่ย่ะหลวงปู่ลีเนี่ยแหละที่ท่านพูดให้ฟังท่านก็บวชปีนัะนะ่นแ่ะบวชกับท่านจ้าคุณธรรมะเจดีวัดโพธิสมพรเป็นพระอุปชาพอบวชเสร็จแล้วท่านก็ นี่แหละพยายามติดตามหลวงตามหาบัวตลอดนะปุรีเนี่ยไม่ค่อยพูดค่อยปากแต่จิตใจหนักแน่นหลวงปุรีเอาจริงจังนะเนไปกราบท่านพาพาลูกพาหลานไปกราบท่านเมื่อวานเนี่ยท่านก็ไม่ค่อยพูดหรอกแต่หลวงตาก็รับรองในรับรองในคุณภาพทางด้านจิตใจนะหลวงปุรีเนี่ยหลังจากนั้นก็พาไปกราบหลวงปู่เพ่งทำกองเพลง ท่านก็ไปขึ้นไปบนเจดีย์กัเลยขึ้นไปกราบคารวะท่านที่นั้นหลวงปู่เพงนี่เป็นเนนเท่าๆกับหลวงพ่อนะเป็นเนนอยู่แปีเหมือนกันนะเป็นเนนอยู่ทางยะโสธร อ, อยู่4ปีแล้วก็มาเป็นเนนหลวงปู่มั่นที่หนองผือนาไนอีก4ปีจากนั้นปีหลวงปู่มั่นจะมรณาภาพนะหลวงปู่มั่นให้ออกมาบวชที่สกลนครเพราะแถบนั้นไม่มีพระอุปชา มาบวชที่วัดชุดทาวาสพอบวชเข้าไปกับบวชปี249พัสี่เกางมั้งน่ะบวชเข้าไปพอเข้าไปถึงวัดไม่เท่าไหร่ก็เอาหลวงปู่มั่นออกมายังไม่ถึงเดือนมัน้งพอบวชเดือนตุลาพอออกพรรษาแล้วก็บวชพฤติกาหลวงปู่มั่นก็ออกมาก็ตามหลวงปู่มั่นออกมาเป็นพระใหม่อย่างั้นแหละแต่ทีงงไงก็บวชก่อนหลวงปู่ลีเพราะท่านเป็นเนนมาก่อนหลวงปู่ลีอายุมาก แล้วยังค่อยบวชหลวงปู่เพงเนี่ยทำกองเพงเนี่ยพอครบบวชพระท่านก็บวชเลยเพราะน่นอายุพรรษาท่านก็เลยแก่กว่าท่านนั่งเรียงกันนี่ค่ะหลวงปู่เพงนั่งก่อนเอางั้นแะต่แต่หลวงปู่เพงอายุแปดสิบปีนี่ถามเมื่อวานี้หลวงปู่อายุเท่าไหร่ครับผมปีนี้แปดสิบท่า น, น, นมาาัง้งเนี่ยเป็นอมพารหลวงปู่เพงเนี่ยมาเป็นอมาพารมาได้สี่ห้าหกปีแล้ว เส้นเลือดแตกและเส้นเลือดตีบในสมองเนี่ยครูบาอาจารย์เมื่อวานก็นเลยขึ้นไปการาบครวะเจดีหลวงปู่ขาวนาระโยถ้ำกองเพนบอกกับพระหมายเ อ, อื้อมากับ เ, เจดีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาวนะ่ใครตั้งจิตอธิษฐานอะไรอา้าวจากนั้นก็กลับมาถึงวัดก็ไม่คํำมเมื่อวานนี่แหละ จบแล้วท่าก็คงจะไม่มีอะไรละไปคารวะกูบาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ประจําปีทุกปีที่นั่นก็หลวงปู่จามหลวงตาหลวงปู่ทุยหลวงปู่วุนเม่แล้วก็ปุนปู่ลีหลวงปู่เพ่งเยอะมากแล้วก็ท่านเจ้าคณะหลวงปู่วัดโพธิสมพรเจ้าคณะจังหวัดนี่แหละหลวงพ่อไปคารวะ ทุกปีที่ผ่านมาปีนี้ก็ได้ทําหละยังขาดแต่หลวงปู่เพียนหลวงปู่เพียนไปก่อนท่าปีนี้ไม่ได้เข้าไปการาบครวะท่านมรณะภาพไปแล้วขาดไปองค์หนึ่งดูๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่แต่เท่าแก่ชลาลงหมดแล้วลดลงมาเรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังแต่ก่อนครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็ลดลดแล้วจะเป็น ผู้มีกำลังแนะนำสั่งสอนอย่างองค์หลวงตาอย่างนี้อย่างองค์ปู่จามอย่างนี้เราถือว่าเป็นนักเทศหาผู้จับหาผู้เสมอเหมือนได้ยากแต่ทุกวันนี้ก็อย่างว่าหมดไปแล้วล่นลงมาเรื่อยๆมาถึงพวกเราถ้าพวกเราไม่พูดไม่กล่าวก็จะหมดไปอีกเหมือนกันนะนะ พอที่จะพูดได้เอ้าพูดไปแนะนำไปในทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาอย่างไรก็บอกกล่าวแนะนำไปพวกลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่ออย่เหมือนกันต่อไปภายภาคหน้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเอ้าแนะนำสั่งสอนไปสุดแท้แต่บารมีของใครแต่บางองค์ก็ยังว่าอ่า อย่างว่าอย่างไงอย่างที่หลวงปู่มั่นอยู่กับหลวงปู่มั่นมาด้วยกันก็เจริงยู่แต่ออกไปแล้วมันไม่ได้ปฏิบัติอย่างหลวงปู่มั่นออกนอกรูนอกทางดูๆแล้วก็พระโดยกันก็นยังยอมรับไม่ได้แต่คณะชาติญาิญาติโยมบางคนก็ไม่รู้แต่บาทพระนี่ดูๆแล้วมันรู้กันทำตัวไม่ดีพูดสรุปแล้ว นี่แหละมีหลายๆองค์เหมือนกันที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นไม่ว่าจะลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าในยุคนั้นสมัยนั้นก็ใช่ย่อยเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องกิเลสความโลภความโกรธความหลงท่าว่าพระไม่ละไม่ถอนมันยิ่งกว่าครวญไปเสีย อ, อีกเพราะนั้นหลวงตามหาบัวท่านจึงบอกว่าเวลาเราอยู่ในวัดเราก็ลืมตาดูพระของเรา แต่พอออกนอกวัดไปแล้วเราเราส่แว่นตาดาทำไมจึงสายแว่นตาด ำ, ำมาำเราจะไม่อยากเราไม่มองเห็นไม่มองเห็นไม่จะไม่มองดูพระเย่างนั้นแหละแต่ทำยังไงได้ถ้าไปบอกไปกล่าวก็ใช่เรื่องอก็เลยหลับหูหลับตาลักษณะอย่างนั้นแหละไม่อยากจะดูอ่างนั้นลักษณะอย่างนั้นที่ท่านพูดนะ แต่ถ้าไม่ใช่ใส่แว่นตาาำจริงๆนะคล้ายกับว่าใจของท่าน ใ, ใส่แว่นตาเองั้นไม่อยากจะมองไม่อยากจะดูเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่พูดให้ฟังให้พระฟังทั้งหลายให้ดูครูบาอาจารย์ให้ดูแนวทางอย่าทำตนให้ไม่ดีการทำตนไม่ดีก็คืออะไรคือวางตัวไม่ดี ไม่รู้จักกาลเทศะในการวางตัวบางสิ่งบางอย่างบางจนมองดูจนไม่มองคนจะเลยแต่ถ้ามันเคร่งจริงก็ไม่เป็นไรแต่มันเคร่งทางหนึ่งแต่มันหย่อนทางหนึ่งอันนั้นก็แย่ไม่รู้จักปฏิสันฐานคาระวะตาแต่บางครั้งบางเรื่องก็ประจบประแจงจนเขาเกินไปมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันอย่างหลวงตามหาบัว วันนั้นท่านหลวงปู่โครงการช่วยชาติตูปุ่นก็เข้าไปเอาไปหลวงปู่ก็ซื่อๆเอาไปก็ไปกราบหลวงตาเอา้าพึ่งมาแล้วเนี่ยกับผมพึ่งจากไหนมาจากพึ่งมาจากไหนเนี่ยกับผมพ า, าโยมพายโยมมาส่งสนามบินทนะ่นานกเพราะว่าซื้อๆนั่นกะัน โยมไปที่วัดก็เลยมาส่งสนามบินท่านโหเป็นขี้ข่าเขาขนาดนั้นเหรอประจบประแจงเขาขนาดนั้นเลย อ, อันนี้มันไม่ใช่เรื่องของพระนะหลวงปู่มันเลยช ด, ดุ่งเลยวางั้นเถอะหลวงพ่อก็นั่งอยู่ที่นั่นด้วยโอ้โหหลวงตาไม่ใช่ธรรมดาเนะี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือบางสิ่งบางอย่าง เราก็ต้องดูกาลเทศะถ้ามันดูมันเลยเกินงามไปมันก็ลักษณะประจบประแจง เ, เลียแข้งเลียขาหวังดีจากเขามันเกินงามของพระป่ า, นะาพระป่านี่วางตัวอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันต้องมองครูบ า, าอาจารย์เป็นหลักนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายให้มองให้ มีธรรมให้มีจริยธรรมแต่จิตใจเหือดแห้งเหี่ยวแห้งเกินไปไม่รู้จักปฏิสันฐานคารวตาก็ไม่ถูกแต่ถ้ามันเกินไปมันก็เกินไปสรุปแล้วจะวางยังไงจึงจะพอดีจุดนี้แหละหาจุดพอดีให้จุดพอดีให้เหมาะสมในการวางตัวอันนี้ละอั น, นี้พุทธบริสัทธ์ส มันต้องอาศัยซึ่งกันและกันพิกสุสัมมเนนอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทคลยๆว่าเหมือนกับเสาสี่ต้นนั่นแหละที่มันจะค้ำอาคารหรือว่าค้ำสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงถาวรได้พิกสุตะกอนพิกษุณีนะพิสุพิกฌุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ต่อมาภิกฌุณีก็หมดไป ทำไมถึงหมดไปก็เพราะบ้านเมืองศึกสงครามนั่นแนะหละผู้หญิงจะมาเป็นภิกษุณีก็ลําบากเพราะมันศึกสงครามมันปั่นป่วนไปหมดกันยังเหลือแต่พระภิกษุขนาดพระภิกษุก็ยังเอาตัวรอดแต่ยากจยางยุคสมัยหสงครามกรุงศรีอยุธยาเนะี่ยเหมือนกันนะพระก็ปั่นป่วนเหมือนกันเพราะนั้นภิกษุณีก็เลยหมดไม่รู้หมดในยุคไหนแล้ ว, วงั้นเ่อะอ่า แต่ว่าทางจีนเขาบอกว่าของเขายังอยู่นะเป็นเสื้อสายยังอยู่แต่ทางฝ่ายเถระวาดเนี่ยหมดบางขนานดะยังเหลือแต่พรภิกษุแล้วก็เอาสัมมเนนเข้ามาแทนภิกษุสัมมเนนเอาสัมมเนนแทนภิกษุณี่บางขนาดภิกษุสัมมเนนแล้วก็อุบาสกขยโยมผู้ชายอุบาสิกาขยโยมผู้หญิงอันนี้จัด่าเป็นพุทธทบริษัท4แต่ทุกวันที่สัมมเนนก็ล้อยลอลงเต็มทนเหมือนกัน อย่างน้อยแต่ก็ยังมีอยู่เพราะว่ากฎหมายทางกฎหมายบ้านเมืองเขาให้เด็กนักเรียนเรียนหนังสือถ้าว่าอายุยังเด็กอยู่ถ้าไม่จบมศ ส, สามเขาก็ไม่ให้บวชถ้าบวชเขาบวชต้องบวชมาเรียนทวงเรียนเป็นสมรเน์อย่างนี้แหละอันนี้ก็คือมันเป็นยุคเป็นสมัยเหมือนกันตามการตามสมัย เนี่ยพุทธบริษัทสี่แต่ถึงยังไงก็ตามนะถึงจะพุทธบริษัทสี่ก็เป็นเรื่องของคนอื่นตัวของเราเนี่ยแหละสคัญเราจะวางตัวอย่างไรเราจะเห็นโทษอย่างไรเราจะมีคุณภาพคุณรรธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่างไรนี่แหละให้พวกเรามองตนเองอย่าทำสิ่งไหนอย่าให้มันออกนอกรูกนอกทางอย่าให้เกินงามแล้วก็ให มีหลักธรรมวินัยคุ้มครองอยู่ในตามตามหลักพระธรรมวินัยจากนั้นก็ให้ประพฤติธปฏิบัติให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่เมื่อวานเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะชาวลาวเนี่ยนะไปอยู่ที่แคนาดาแล้วก็สามีของเขาก็เป็นลาวเหมือนกันแล้วทีนี้เขาลางานออก แลวออกมาแล้วเขาปฏิบัติธรรมนะมาพูดมาวานโอเขาเสียสละจริงๆนะพอได้ฟังธรรมะแล้วเขาลงมือประพฤติปฏิบัติพูดภาษาไทยเกือบภาษาลาวเกือบลืมหมดแล้วเหมือนกันแทเขาทำงานโรงพยาบาลที่ดูดูแลผู้สูงอายุที่แคนาดา เ, เขาบอกว่าเขาภาวนาเนี่ยเขากำหนดดูร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนกับไฟออก อไฟออกในร่างกายของเขาเขาวางนันนะเขาดูกายของเขาจากนั้นเอพระที่สวดมนต์เหมือนกับมันเข้าทางกระหม่อมของเขาทางหัวของเขานะ่ะเออมันซาลงไปถึงหัวใจของเขาใจของเขารู้สึกวัดเย็นสบายมีความสุขมีปีติเหมือนน้ําตาจะออกจะหลั่งไหลเขากั้นนะถ้าเป็นอย่างนี้หลวงพ่อว่าเป็นยังไงหลวงพ่อเอยอันนั้นปีติมา ปีติคือความอิ่มใจคือความสุขใจอันนี้มันก็เป็นกิเลสอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทมแต่มันก็ดีถ้าคนที่มีปีติแล้วก็คือศรัทธาขึ้นมามันไปพร้อมกันจากนั้นก็ให้ดูนะเนี่ยแต่ให้ดูร่างกายถึงจะมีดินน้ำถึงจะมีลมมีไฟมีลมออกจากร่างกายก็ใครเป็นคนรู้ นะให้ดูนะที่นี่นะแต่ที่นี้เขาไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยคําว่าใจเนี่ยนะใจคือว่าใจเป็ น, เ ป, นเป็นผู้รู้นะให้ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้นะี่มีแต่เขาให้ดูร่างกายเท่านั้นเองให้ดูทาาทีให้ดูร่างกายให้ดูตัวเองแต่เขาไม่ให้ดูที่ว่านามธรรมเนี่ยตัวนี้ถามดูแล้วเขาเขาไม่เคยอย่างนั้น หลวงพ่อก็เลยแนะนำให้เขาดูนา ม, มาธรรมสุสิงทั้งหลายทั้งปวงออกไปจักใจทั้งหมดในหลักของพุท ธ, ธสายเถรวาดพ่อแม่ครูบาจารย์สายหลวงปู่มั่นใครเป็นคนรู้ใครรู้ว่าปีติเกิดใครเป็นคนรู้ว่าไฟลื้นลมออกจากร่างกายออกจากฝ่าเท้าออกจากบนศีรษะออกจากฝ่ามือใครเป็นคนรู้ ใจเป็นคนรู้นะใจคือนา ม, มาธรรมนะรู้ว่าหลมออกจากฝ่ามือไฟออกจากฝ่ามือธาตุไฟออกจากฝ่ามือฝ่ า, ออ า, า, อาเท้าออกจากร่างกายนี่แหละให้ดูให้ดูใครเป็นคนรู้ให้กําหนดดูผู้รู้นั่นแหละตัวนั้นแหละไปให้ความสําคัญเรื่องนั้นไปให้สำคัญคำความสําคัญเรื่องนี้เอาไปมานะให้ความสําคัญไปมดเผอเผย สิ่งที่ไม่สําคัญก็ให้ความสําคัญเขาผลที่สุดก็หลงความสําคัญนั้นอีกนั่นแหละให้ดูนะให้ดูตัวภูรู้ในหละของพุทธศาสานาฝ่ายเทรวัตรดูใจปล่อยวางที่ใจใจเมื่อปล่อยวางใจไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วนะ่ะเอใจจะมีความสุขทีนี้ที่เดี๋ยวนี้คือมันใจมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ใจมันก็นเลยทุกข์ไปจับตรงนั้นไปจับเรื่องนี้ไปยึดตรงนั้นไปยึดตรงนี้ พอย็ดเข้ามาแล้วเขามาหาใจใจก็เป็นทุกข์แต่ถ้าว่าใจปล่อยวางซะอย่างเดียวเท่า น, นั้นแหละเป็นสุขนะทีนี้นะดูดูใจนะสองผัวเมียเข้ามามันวานมันก่อนเออคนในโลกเนี่ยก็ยังมีผู้สนใจธรรมะอยู่นะหลวงพ่อว่านะว่าขนาดลางานออกไปยังเป็นคนหนุ่มนะประมาณสักสามสิบกว่าปีเอง ยังมีผู้สนใจอย่างสุดๆเดือนนี้เขาจะไปออกจากประเทศไทยจะมาประเทศไทยหนึ่งเดือนมาเลนหนึ่งเดือนพม่าหนึ่งเดือนมาเลนหนึ่งเดือนไทยหนึ่งเดือนแล้วจะไปอินเดียอีกหนึ่งเดือนเหมือนจะไปเรื่อยๆไปนี่แหละไปภาวนาเนี่ยไปศึกษาเหมาอนันแ่อันนี้ก็คือผู้ยังมีผู้สนใจใฝ่ธรรมะอยู่น่แหละหลักของพุทธศาสนาไทายจะว่าไปหลวงพ่อว่า ดูดูแล้วเออเรามาอยู่จุดนี้ก็มาเห็นเห็นลูกหลานสนใจไฟธรรมะแล้วก็รู้สึกว่าพุทธศาสนาคงจะยืดยาวไปอีกอยู่ถ้าเป็นอย่างที่สองคนของเขาน่ะรู้สึกเขามุ่งมั่นจริงๆรนะดูเขาทํานะเขามุ่งมั่นจริงๆดูดูแล้วเขาจะขนาดลางานออกกว่างานแต่มาปฏิบัติทแล้วก็ถามถามเออได้อยู่กินยังไงล่ะ ว, วะวะ ไปอย่างนี้เขาว่าเขาก็ได้เตรียมไว้เหมือนกันเหมือนนได้เตรียมเงินคิดว่าเพียงพอที่จะจีนแบบใช้แบบประหยัด ใ, ใช้แบบดูแบบสบายได้ขา อ, อาลอืมเอารับพอในทะี่นี้อนุมุนาให้พอ